จเจริญพนท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2552ตรงกับวันขึ้น8ค่งเดือนสึบ เป็นวันพระวันธรรมสวนาะวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติมาบำเพ็ญกิจของตนคือการชำระการกำจัดอกุศลทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดไป และยับยังอากุศลที่ยังไม่มีอยู่ให้เกิดขึ้นเพราะอากุศลนี้เป็นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็วุ่นวายด้วยเรื่องราวต่างๆปัญหาอัจฉยกรรมต่างๆปัญหาที่เกิดจาก สังคมปัญหาที่เกิดจากบุคคลปัญหาที่เกิดจากการแก่งแย่งชิงดีปัญหาที่เกิด จ, จากการฆ่ากันทำลายกันเบียดเบียนกันเป็นปัญหาที่เกิดจากอากุศลที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลก ส่วนปัญหาภายในใจที่เกิดจากอกุศลก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจความหวาดกลัวความ <c oughs> ฟุ้งซ่านความกังวลต่างๆเหล่านี้ล้วนออกมาจากใจของสัตว์โลกแล้วก็ส่งผลให้ใจของสัตว์โลกมีแต่ความทุกข์และก็ ระบายออกมาทางกายทางวาจาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเป็นลำดับต่อมาถ้าสัตว์โลกสามารถกำจัดอกุศลต่างๆได้หมดแล้วใจจะมีความสุขมีความรุ่มเย็นสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุดไม่จำเป็นต้องมีตารวจ มาคอยปราบโจลปราบคนไม่ดีไม่จำเป็นจะต้องมีศาลมาพิพากษาคดีต่างๆเพราะทุกคนตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะทุกคนต่างมีความสุขต่างไม่มีความหิวความอยาก ที่จะต้องแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาโดยวิธีวิชอบ<ม>การชำระอกุศลจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของแต่ละบุคคลและของสังคมส่วนรวมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เห็นถึงโทษของอกุศลทั้งหลาย ซึ่งมีอยู่1ิประการด้วยกันมีทั้งทางกายมีทั้งทางวาจาและมีทั้งทางใจเราต้องกำจัดทั้งสามทางนี้ให้หมดไปอกุสนทางกายก็มีอยู่3ประการด้วยกันคือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การลักทรัพย์ สามการประพธธรเพื่อมผิดตเวณีอกุศลทางวาจาก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งการพูดปดสองการพูดคำหยาสามการพูดเพ้เจ 4. สี่การพูดส่อเสียดอกุศลทางใจก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือความโลภ ความโกรธและความหลงเหล่านี้เป็นอกุศลที่เราสามารถกำจัดให้หมดไปจากจิตจากใจได้ผู้ใดสามารถกำจัดอกุศลเหล่านี้ให้หมดไปจากกายจากวาจาจากใจได้แล้วจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางความเดือดร้อนความวุ่นวายของสังคม เพราะเราไม่สามารถที่จะไปกำจัดอกุศลของผู้อื่นได้เรากำจัดได้ก็เพียงแต่อกุศลของเราแล้วเราก็ทำเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเขาดูว่าการไม่มีอกุศลนี้เป็นอย่างไรมีคุณมีประโยชน์อย่างไรถ้าเขาเห็นเขามีตาเขาก็จะ เห็นคุณเห็นประโยชน์เขาก็จะอยากที่จะประพฤติปฏิบัติตามแล้วถ้าเขาประพฤติปฏิบัติตามได้เขาก็จะมีความสุขมีความร่มเย็นแล้วเขาก็จะแบ่งความร่มเย็นนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าทุกคนให้ความสนใจต่อการกําจัดอกุศลนี้แล้วต่อไปสังคมก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สัตว์โลกคือคนในสังคมก็จะมีความร่มเรียนเป็นสูตรตามกันมาด้วยกันนะเช่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงกำจัดอกุศลทั้งสิบให้หมดสิ้นไปจากกายวาจาใจของพระองค์หลังจากนั้นพระองค์ก็นำเอามาสั่งสอนมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลก ไห้ได้รู้ว่าโทษที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่อกุศลสิบประการนี้เองโ h, อทษ <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่การอนยากขาดแคลนโทษไม่ได้อยู่ที่ฝนฟ้าอากาศโทษไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจตกต่ํา <c oughs> แต่โทษทั้งหลายนี้อยู่ที่อกุศลทั้ง10ประการนี้เองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของดินฟ้าอากาศ มันก็เป็นเรื่องปกติของเขาเขามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแต่เราสามารถรับกับเขาได้เพราะเราสามารถเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้เรารู้ว่าเศรษ ฐ, ฐกิจมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเวลาขึ้นเราก็จับตัวแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ดี เผื่อวันที่เศรษฐกิจตกต่ำเราก็จะมีเงินทองไว้รองรับกับการตกต่ำของเศรษฐกิจเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ขัดอัตคัดขัดสนแต่อย่างใดเรื่องฝนฟ้าอากาศก็เป็นเช่นนั้นบางวันก็ดีปกติดีบางวันก็มีพายุมีน้ำท่วม แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาเราก็เตรียมตัวรับกับเขาไว้สร้างบ้านสร้างช่องให้ดีให้อยู่เหนือน้ำหนีน้ ำ, นนำให้ได้หรือมีวิธีป้องกันอย่างใดก็ป้องกันไปถ้าสุดวิสัยอย่างน้อยเราก็ยังมีทรัพย์ไว้สำหรับดูแลเราต่อไปหลังจากที่เกิดความเสียหายจาก ดินฟ้าอากาศต่างๆเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ทำให้เราอยู่กันอย่างทุกข์อย่างไม่สบายใจเรื่องของความทุกข์ของความไม่สบายใจนี้เกิดจากอกุศลทั้งสิประการนี้โดยตัวสำคัญที่สุดก็คืออกุศลทางใจที่มีอยู่สามคือมีความโลภความโกรธและความหลง เมื่อมีอกุศลทางใจแล้วมันก็จะส่งออกไปทางวาจาและทางกายต่อไปเวลาเกิดความโลกก็จะส่งให้ไปพูดปดมดเทศโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนอยากได้มาหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ก็ไปทำผิดทางกายไปฆ่าสัตว์หรือไปลักทรัพย์หรือไปเพื่อพื่อผิ ด, ผดปะเวณี เพราะมีความโลภเพราะมีความอยากแล้วไม่มีความสามารถที่จะหามาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องก็เลยต้องส่งออกไปที่กายและวาจาถ้าเราสามารถควบคุมความโลภความโกรธได้ความหลงได้เราก็จะไม่ต้อง ระบายออกไปทางกายและทางวาจาอย่างขณะ น, นี้เราควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้เรานั่งอยู่เฉยๆได้เราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปพูดปดไปพูดคำหยาบไปพูดส่อเสียดไปพูดเพ้อเจ้อเราไม่ต้องไปฆ่าศัตว์เราไม่ต้องไปลักทรัพย์เราไม่ต้องไปประพฤติผิดอะเวนีเพราะ อกุศลภายในใจคือความโลภความโกรธความหลงกำลังอยู่ในการควบคุมดูแลของเราถ้าเราสามารถควบคุมอกุศลทั้งสาส่วนนี้ได้ตลอดเวลาเราก็จะสามารถตัดอกุศลทางกายและทางวาจาได้ด้วยเพราะอกุศลทางกายทางวาจานี้เป็นเหมือนสมุนเป็นเหมือนลูกน้องเป็นบา ส่วนอากุศลทางใจนี้เป็นเหมือนเจ้านายถ้าไม่มีเจ้านายมาสั่งการให้ไปทำนั่นทำนี่คนใช้ก็สบายอยู่เฉยๆกินเงินเดือนอย่างเดียว <Yeah. S 1> แต่ถ้าพอเจ้านายสั่งการให้ไปทำนั่นให้ไปทำนี่คนใช้ก็ต้องไปทำตามทันทีไม่ฉะนนั้นก็จะไม่ได้รับเงินเดือนหรือไม่เช่นนั้นก็จะถูกขับไล่ ออกจากงานไปดังนั้ น, น, นการดูแลอกุศลทางใจจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรารักษาใจของเราให้เป็นปกติได้แล้วเราก็ไม่ต้องรักษากายและรักษาวาจาอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะ น, นี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องวาจาเพราะเราไม่พูดอะไรเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการกระทำของของร่างกาย เพราะเรานั่งอยู่เฉยๆเพราะอะไรเพราะใจของเราตอนนี้มีความสงบตอนนี้ใจของเราไม่โลกใจของเราไม่โกรธใจของเราไม่หลงเราจึงนั่งได้อย่างเป็นปกติเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับตัวที่มา ทำให้ใจสงบนั่นเองถ้าเราฟังธรรมอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะสงบจะรู้โทษของความโลภของความโกรธของความหลงแล้วจะรู้จากวิธีที่จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงไม่ให้แสดงอาการออกมาไม่ให้ออกไปทางกายและทางวาจา ก็จะทำให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขและไม่ไปส่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นดังนั้นเราควรดูแลใจของเราดูแลอกุศลทั้งสาส่วนนี้ให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลงที่เป็นมูลหรือเป็นต้นเหตุของความโลภและของความกลีว ความหลงงีหลอกให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นสุขเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นกับตาละปัดกันไปหมดเราจึงต้องมาสอนใจให้หายหลงถ้าใจไม่หลงแล้วความหลงที่จะหลอกให้ไปโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นมีคนนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจเพราะจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้อยากมีหรือคนที่เราอยากได้อยากมีเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข<ม>นี่เราไม่เห็นกันเรามักจะเห็นแต่คุณเห็นแต่ความสุขในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ ในสิ่งนั้นในสิ่งนี้แต่เราไม่เห็นโทษเราไม่เห็นความทุกข์ในบุคคลนั้นบุคคลนี้ในสิ่งนั้นในสิ่งนี้เราจึงเกิดความโลภเกิดความอยากได้แล้วถ้าเราไม่ได้เราก็จะเกิดความโกรธนี่คือเรื่องของความโลภความโกรธความหลงมันเกิด ม, มันมีเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นมา โดยไม่มีเหตุแต่อย่างใดเหตุของพวกเราก็คือความหลงพวกเราเกิดมากับความหลงมีความหลงติดตัวมาตลอดเวลาในทุกภพกทุกชาติเกิดมาทีไรก็มีความหลงมาหลอกให้เราไปกว้านหาความสุขต่างๆจากภายนอกเข้ามาโดยหารู้ไหมว่าเป็นความสุขเพียงนิดเดียวส่วนความทุกข์ที่ติดมาด้วยนี้ มันมากมายก่ายกองอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันเรามองไม่เห็นกันทุกวันนี้ชีวิตของเราจึงต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความกงมังวลมีแต่ความหวาด ก, กลัวมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจนี่แหละคือความทุกข์ที่เราได้จากความสุขที่เราไปกว้านมา เราไปกวานสิ่งนั้นสิ่งนี้มาคนนั้นคนนี้มาแล้วเราก็ต้องมาทุกกับเขาเราต้องมาทุกขกับสิ่งที่เราได้มาเราต้องทุกกับคนที่เราได้มาถ้าเขาดีเราก็ห่วงเราก็กังวลเราก็หว่วงและเราก็เสียใจเศร้าโศกเวลาที่เขาจากเราไปถ้าเขาไม่ดีเราก็ทุกข์ทรมานใจ ที่จะต้องอยู่กับความไม่ดีของเขาเดี๋ยวก็พูดไม่ดีเดี๋ยวก็ทำไม่ดีตบตีเราทำอะไรต่างๆนาน า, นาให้เราชอกช้ำใจแต่เวลาที่เราอยากได้เขามาเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้เราคิดแต่ว่าเขาจะดูแลเราเขาจะรักเราเขาจะเทิดทูนเราบูชาเรา เขาจะปกป้องคุ้มครองรักษาเรานี่เราจะคิดอย่างนี้กันนี่ความคิดแบบนี้เรียกว่าเป็นความคิดที่ออกมาจากความหลงถ้าความคิดที่ออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงจะต้องคิดทั้งสองด้านใช่เขาจะดูแลเราเขาจะรักเราแต่เขาจะดูแลและรักเราได้นานสักเท่าไหร่ตลอดไปหรือเปล่าหรือเพียง มอข้าวยังไม่ทันดำเขาก็เปลี่ยนไปแล้วบางคนถ้าเป็นคนดีเขาก็จะดูแลจะรักเราไปตลอดแต่ชีวิตเขาก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาอาจจะตายจากเราไปก่อนที่เราอยากจะให้เขาไปก็ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเรา ถูกความหลงหลอกให้อยากได้นเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเป็นเรื่องของโทษทั้งนั้นเป็นเรื่องของตัวที่จะสร้างความกังวลกวกระสับกระใสความหวาดกลัวความกังวลต่างๆถ้าเราคอยสอนใจให้รู้อย่างนี้แล้วต่อไปเวลาความหลงจะหลอกให้เราไปไขว่ควา้าไปแสวงหา สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาเราก็จะมีมีฝ่ายค้านมาต่อต้านมาบอกเราว่าอย่าไปเอานะไปเอากองไฟเข้ามาทาไมไปเอากองทุกเข้ามาทาไมความสุขที่ได้มันนิดเดียวเท่านั้นเองความทุกข์ที่ตามมามันมากกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกันซู้อยู่แบบนี้ดีกว่า ถึงแม้จะมีความว้าเหวบ้างมีความทุกข์บ้างมีความเศร้าโอยเศร้าอ้อยมีความเหงาบ้างแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคลนั้นบุคคล น, นี้มีแล้วถ้าเราสามารถเอาชนะความหลงของเราได้ ต่อไปมันก็จะไม่สร้างมันจะไม่หลอกให้เราเกิดความโลภแล้วถ้าเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไรและพอความโลภมันตายไปจากใจของเราแล้วเราจะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอมีแต่ความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเพราะนี่คือความสุขของใจเป็นอย่างนี้ใจจะสุขได้จะต้อง เกิดจากการระงับดับของความหลงเมื่อความหลงดับความโลภ ก, ก็จะดับตามเมื่อความโลภดับตามความโกรธก็จะดับตามเวลาเราไม่โลภไม่อยากได้อะไรแล้วก็เราก็จะไม่โกรธใครเพราะเราไม่หวังได้อยากจะได้อะไรนั่นเองพอไม่ได้เราก็ไม่เสียใจเราก็ไม่โกรธใครถ้าเราอยากได้แล้วใครมาขัดขวางหรือมา กิดกันไม่ให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะต้องโกรธคนที่มากิดขวางเราแต่พอเราไม่อยากได้อะไรแล้วเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เขาทำให้เราโกรธไม่ได้ความโกรธจรึงไม่ได้อยู่ที่เขาแต่อยู่ที่เราอยู่ที่ความโลภและความโลภ ก, ก็อยู่ที่ความหลงนี่คือปัญหาของพวกเรามันเป็นลูกโซ่กัน มันไม่ได้เกิดจากอะไรที่ไหนเกิดจากความเข้าใจผิดของเราไปเข้าใจว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีคนนั้นมีคนนี้แล้วจะทำให้เรามีความสุขมากๆจะทำให้เราไม่มีความทุกข์นี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่วิเศษเลย เพียงแต่ความหลงของเราไปสมมติกันขึ้นมาให้มันวิเศษเองเช่นเพชรนินจิ น, นาต่างๆมันก็เป็นก้อนหินธรรมดานี้เองแต่เราไปสมมติมันว่ามีคุณค่ามีราคาพอทุกคนเชื่อกันมันก็เลยมีราคาขึ้นมาเพราะเราสามารถเอาไปขายคนอื่นที่เขาเชื่อได้ว่ามีราคาแต่ถ้าเราเกิดเราไปหลงอยู่ในปา่า แล้วเราไปเจอเพชรอยู่กองเบืเริ่มกับเจอต้นกล้วยอย่างนี้เราจะเอาอะไรเราจะเอากล้วยหรือเราจะเอาเพชรเพชรก็กินไม่ได้กินเข้าไปในท้องก็ตายเท่านั้นแต่เราต้องเอากล้วยกันก่อนเพราะกล้วยนี่แหละมันมีคุณมีประโยชน์กับร่างกายของเราเพชรมันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรแต่เราอยู่ในสังคมของคนหลงที่เขาหลอกกัน ต่างคนต่างหลอกกันหลอกว่าเพชรมีราคาหลอกว่าทองมีราคาหลอกว่ากระดาษที่พิมพ์ตัวเลขว่ามีราคาเท่านั้นเท่านี้ถ้ากระดาษมีเลขพันก็มีราคาหนึ่งพันถ้ากระดาษมีเลขร้อยก็มีราคาหนึ่งแต่ความจริงมันเป็นเทียงกระดาษเท่านั้นเองถ้าเกิดทุกคนตื่นจากความหลงบอกว่าให้นี่มันไม่ใช่ อะไรนี่มันเป็นเพียงกระดาษเช่นสมมุติถ้าเราเกิดอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนอาหารขาดแคลนสิ่งที่เราต้องใช้แล้วก็เงินทองก็ไม่สามารถซื้ออะไรได้พวกแบงก์ต่างๆกระดาษต่างๆก็หมดความหมายไปทองคำเพชรก็หมดความหมายไปเพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือปัจ ปัจจัยที่จะมาเยียยาอัตภาพชีวิตของเรานั่นก็คืออาหารหรื อ, อยารักษาโรคเท่านั้นเองสมมติถ้าเกิดน้ําท่วมบ้านเมืองไปหมดไม่มีไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่มีแต่ของที่เราจะกินได้หากินได้ตามป่าบ้างตามสวนบ้างตามตามร้านบ้างเราจะเอาทองไปแรกเขาก็ไม่เอา เราจะเอาแบงค์ไปแลกเขาก็ไม่เอาเพราะเขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไปซื้ออะไรไม่ได้พวกเราลองคิดอย่างนี้ดูบ้างแล้วเราจะเห็นความหลงของเราว่าเป็นอย่างไรเรากำลังหลงกับเรื่องที่ไม่มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจของเราสิ่งที่มีคุณค่าสาหรับร่างกายของเราก็คืออาหารน้ำยารักษาโรคที่อยู่อาศัย สิ่งนี้เราต้องมีถ้าไม่มีเราอยู่ไม่ได้แต่เราไม่มีเพรเราอยู่ได้เราไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีแฟนเราอยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรแต่สิ่งนี้เราต้องมีเท่านั้นเองที่เราต้องมีส่วนใจของเราก็ต้องมีธรรมะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะมาดับความหลงของเรานี้เท่านั้นเองถ้าเรามีธรรมะแล้วเราจะเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ไม่เห็นว่ามีอะไรที่เป็นสุขเลยได้อะไรมาก็จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่โลภไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายจะไม่โกรธใครแต่เราก็ยังทำาหารกินอยู่เป็นปกติแต่ไม่ได้ทำเพื่อความโลภไม่ได้ทำเพื่ออยาก ได้ความสุขจากสิ่งต่างๆแต่ทำเพื่อดูแลชีวิตของเราเท่านั้นเองหาเงินหาทองมาก็เพื่อมาซื้อข้าวกินซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อน้ำดื่มซื้อเสื้อผ้าไว้สวมใส่ซื้อบ้านไว้อยู่เท่านี้เองถ้าเรามีเท่านี้แล้วเราก็ไม่ต้องหาอะไรมากไปกว่า น, นี้เพราะได้อะไรมากไปกว่า น, นี้ก็เป็นแต่ความทุกข์เท่านั้นเอง ถ้าเราไม่หาเรารู้ทันเราไม่หลงแล้วเราก็ไม่หิวไม่อยากเมื่อเราไม่หิวไม่อยากใจของเราก็จะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพออยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่รู้สึกว่าขาดนั่นขาดนี่ไม่รู้สึกว่าว้าเหวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวใจแต่อย่างใดธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อถูกเมื่อความหลงที่คอยหลอกคอยล่อ คอยสร้างอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นภายในใจของเรามันหมดไปใจของเราก็จะว่างจากอารมณ์ต่างๆไม่รู้สึกว่าเวไม่รู้สึกซ้อยเศร้าเหงาหงอยไม่รู้สึกว่าขาดนั่นขาดนี่จะรู้สึกว่าพอไม่อยากได้อะไรนี่แหละความความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเราพอเราได้พบกับความว่างจากอารมณ์ต่างๆแล้ว พบแต่กับความรู้สึกที่อิ่มที่พอที่สุขอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องไปดิ้นนนขวนขวายหาอะไรอีกต่อไปเราก็จะไม่ต้องคว้าเอาความทุกข์มามากดดันมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราเราจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดอนันตการไม่ใช่แต่ภพนี้ชาตินี้เท่านั้น ใจที่หลุดพ้นจากความหลงแล้วจะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะรู้ว่าร่างกายอันใหม่ก็จะเป็นกองทุกข์อีกกองหนึ่งก็ไม่ต้องมีร่างกายใจก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองไม่ต้องมีสมบัติไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ ใจจะอยู่อย่างเป็นสุขตลอดเวลาด้วยความอิ่มด้วยความพอที่เกิดจากการกาจัดความหลงที่คอยหลอกล่อให้เกิดอารมณ์ว่าขาดนั่นขาดนี่ต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ความรู้สึกเหล่านี้จะไม่มีอยู่ภายในใจของผู้ที่สามารถกำจัดความหลงด้วยความรู้จริงเห็นจริง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คืออยู่ที่การกำจัดความหลงนี้และการจะกำจัดความหลงนี้ก็เริ่มต้นด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเอาไปสอนใจอยู่เรื่อยๆบอกตนเองเรื่อยๆว่าอย่าไปอยากได้อะไรเพราะสิ่งที่ได้มานี้จะเป็นความทุกขไม่ได้เป็นความสุข สิ่งที่ได้มาจะทําให้เราต้องว้าวุ่นขุ่นมัวต้องกังวลต้องหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาหัดอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่ามีเพียงปัจจัยสี่ก็พอสอนใจอย่างนี้ไปเรื่อยเวลาสอนแล้วมันดื่อเราก็ต้องระงับความดื่อด้วยการนั่งสมาธิอย่าไปให้มันคิดถึงเรื่องที่มันอยากได้ พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ลืมไปเองพอลืมแล้วมันก็สบายมันก็ไม่อยากมันก็ไม่หิวถ้ามันอยากอีกก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยอย่างนี้ไปเรื่อยกล่อมมันไปเรื่อยๆต่อไปมันจะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าโผล่ขึ้นมาเราก็จะทำมันอีกเราจะหยุดมันอีกเพราะเรารู้ว่าความคิดของความโลภ ของความอยากนี้มันไม่ดีมันสร้างมันจะนำพาความทุกข์มาให้แก่ใจของเราถ้าเราจำคาสอนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้ได้แล้วไม่นานเราก็จะเอาชนะความหลงได้เมื่อไม่มีความหลงแล้วก็จะไม่มีความโลภ ไ, ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความโกรธก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องไปกังวลกับใครเพราะไปทำอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เขาจะเป็นจะตายเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะดีเขาจะชั่วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายไปทุกข์กับเขาได้ด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คอยสอนเราให้ตัดให้ปล่อยให้วางอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งนั้นให้รักษาใจของเราไม่ให้ไปโลภไปอยากได้อะไรเวลาโลภเวลาอยากก็พุทโธพุทโธไปอย่าให้มันคิดถึงเรื่องที่อยากได้เรื่องที่อยากเป็นให้พุทโธพุทโธไปแล้วไม่ช้าก็หล็วมันก็จะหยุดเองมันจะหายไปเองความโลภแล้วเราก็จะสบาย แล้วเราก็ไม่ต้องใช้พุทธโธอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาชำระอกุศลต่างๆทั้งสิประการคือให้ชำระความหลงตัวนี้ตัวเดียวแล้วอกุศลอย่างอื่นก็จะถูกชำระไปโดยปริยายจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาประพฤติมาปฏิบัติมาชำระอกุศลทั้งสิบนี้